มีลินทปัญหาของครมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนตกะปัญหาจะตุทวักย่าจะโยคะปัญหาที่สิบถามว่าพระองค์ตรัสว่าพระองค์ประเสริฐและยิ่งเหตุไรจึงยกพระพากุละว่าประเสริฐยิ่งฝ่ายอาพาธน้อย พระองค์ก็อ า, าพาธน้อยราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินปินสาคลราชธานีมีพระราชาปุจชาถามอัฏปัญหาแก่พระนาคเกษสืบไปว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเกษผู้เจริญสมเด็จพระมงกุฎาจารย์มีพระพุทธดีกาตรัสว่าอาหามัตสมิภิกเเวพระมนโนดุรานะภิกษุสงฆ์ทั้งปวง ตถาคตนี้เป็นพราหมณ์ญาจะโยโคผู้ควรัญญาจกพึงขอปิยัตะปาณีล้างมือไว้คอยจะหยิบทานแจกจ่ายแก่ยาจกทั้งหลายทุกเมื่ออันติมะเทหะธโรส่งไว้ซึ่งพระบวรากายเป็นอันติมะมีที่สุดคือมิได้เวียนว่ายตายเกิดเป็นรูปเป็นกายต่อไปอนุตตะโรเป็นผู้ยิ่ง หาใครผู้ใดจะเปรียบไม่ได้สมเด็จพระบรมไตรยโลกนาถประพาธไว้ดังนี้นานมาพระวัตตาพระนิตังกลับมีพระพุทธดีกาตรัสภิกขเวดูรานะภิกษุสงฆ์ทั้งปวงอปปาพาทานังแต่บรรดาสาวกของเราที่มีอาพาธน้อยนั้นพระภากุลเถระนี้ มีอาพาธความเจ็บน้อยยิ่งกว่าคนทั้งปวงพระพากุลเถระเจ้านี้ยกประเสริฐดังนี้ก็แหละพระองค์เองก็ได้ประชวนพระโรคาพาธถึงสี่ครั้งแล้วพระองค์ยกพระองค์ว่าหาผู้ใดจะประเสริฐเปรียบปานไม่ได้ภายหลังกลับมายกยอพระพากุลเถระว่าเป็นเอตะทะคะมีอาพาธน้อย ไม่เจ็บไข้เป็นอย่างยอดในมูสาวกของพระองค์พระพุทธดีกาทั้งสองนี้ไม่ต้องกันพระองค์ประชวนถึงสี่ครั้งและยกพระองค์ว่ายิ่งแล้วกลับมายกยอพระภากลเถระว่ามีอาพาธน้อยอย่างยิ่งฟังดูก็วุ่นวายหารู้ที่จะเอาข้างไหนเป็นแน่ไม่ขอพระผู้เป็นเจ้าจงแก้ไขให้สิ้นสงสัยของโยมในการบัดนี้ เทโรฝ่ายพระอรหันตบดินปินภิกษุคือพระนาค เ, เสนมีเถระวาทีถวายพระพรวิสัชนาว่ามหาราชดูรานะบอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระโลกุตมาจา ร, รยานสัพพันยูเจ้าเดิมพระองค์ตรัสยกย่องพระองค์ยิ่งกว่านั้นด้วยสามารถทรงพระคุณหาบุคคลจะเปรียบไม่ได้ ทรงไว้ซึ่งพระคุณอันใหญ่ยิ่งพระองค์ตรัสว่าพระพากุลเถระยิ่งนั้นยิ่งตามมีอาพาธน้อยใช่จะยกพระพากุลเถระยิ่งกว่าพระองค์หาไม่ได้ใช่จะยกเป็นเอตัทธะแต่พระพากุลเถระนี้ก็หาไม่ได้สาวกองค์ใดชำนาญในพระปิดกอันใดพระองค์ก็ยกพระมหาเถระพระองค์นั้น เป็นเอตะทัคะในพระปิดกนั้นเหมือนพระอุบาลีนั้นเป็นเอตะทัคะฝ่ายพระวิไนพระมหากสลบยิ่งในพระปรมติพระอนุเทระเจ้ายิ่งในพระสูตรอันหนึ่งว่าโดยฝ่ายวิปัสนาธุระเล่าพระโยคาวาจรเจ้าจำพวกใดประเสริฐในจงกรมและอิริยาบถนั่งอิริยาบถนอน อิริยาบถยืนอิริยาบถเดินและประกอบด้วยคุณวิเศษสิ่งใดในทุดง้าปฏิบัติมีเอกาสานิกะทุดงคือฉันหนเดียวแม้จะเสียชีวิตก็ไม่ฉันหนที่สองเป็นต้นสมเด็จพระทศพลก็ยกพระสาวกผู้นั้นว่าเป็นเอตะทะักคะยิ่งกว่ากันแต่ละอย่างแต่ละอย่างไป ใช่จะยกเอตะทะคะเป็นยิ่งแต่พระพากุะเทระผู้เดียวหาไม่ได้ยกเอตะทะคะนั้นมากด้วยกันมหาราชขอถวายพระพรพระราชสมภารเจา้าพักวาปณะนะแม้อันว่าสมเด็จพระพัควันตะบพิจเจ้าอนุตตโรสีเลนะสมาธินายิ่งกว่าสัพพเทวามนุษย์นิกรอินพรมอมเรศ ด้วยคุณนวิเศษคือศีลสมาธิและพระปัญญาและวิมุตติและพระวิมุตติยานัทสนะและพระทศพลยานเวสารัชยานอัถรัษฎธรรม18ปประการด้วยพระพุทธพิสัยอนุตตโรไม่มีใครเทียมถึงยอดยิ่งอยู่แต่สมเด็จพระสัพพันย์อยู่ผู้เดียวมหาราชขอถวายพระพ ร, พรบวพิษพระราชสมภาร บาลประหนึ่งว่าในมนุษย์นี้ย่อมมีวิเศษต่างกันเอโกมนุษย์บางจำพวกชาติมามีชาติตระกูลประยูนวงศามากเอโกบางจำพวกมีทรัพย์เงินทองมากเอโกบางจำพวกวิชวามีแต่พืชทั้งหลายมากมายนักหนาเป็นอาทิคือ พืชเข้าเปลือกเรือสวนไร่นาสิบปวามีศิลปะศาสตร์เอโกบางจำพวกสูโรอง์อาจแกล้วกล้าเอโกบางจำพวกวิจักขโนมีปัญญาตกแต่ว่าต่างคนต่างวิเศษไปคนละอย่างคนละอย่างชนี้และคนทั้งหลายถึงจะดีเท่าดีประการใด ก็ย่อมไหว้นบเคารพสมเด็จบรมกษัตริย์ทั้งสิน้นเหตุว่าบรมกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินสูงสุดกว่าชนทั้งหลายฉันใดสมเด็จพระสุคตินธราธิบดีศรีอุตตมาจารย์พระพุทธองค์เจ้าก็ทรงพระคุณเลิศลบพพไตรสาวกพระองค์ใดจะล้ำเลิศประเสริฐกว่าหาไม่ได้ฉันนั้นอย่าว่าแต่พระภากุลเถระนี่เลย ถึงพระอัครส า, าวกทั้งสองผู้ประเสริฐเล่าจะได้ประเสริฐเสมอพระพุทธองค์เจ้าหาไม่ได้มหาราชะขอถวายพระพรก็พระพากุลเถระนี้เป็นผู้มีอาพาธน้อยก็ด้วยสามารถอภินิหารวิบากผลที่ได้เป็นแพทย์พยาบาลรักษาพระโรคาพาธซึ่งบังเกิดขึ้นแก่พระทศพลยาน อันทรงพระนามว่าอนโนมัสศีและวิปัสสีกับทั้งพระภิกษุสงฆ์หกล้านแปดแสนองค์ด้วยเพศสัตว์ทั้งหลายจึงถึงซึ่งความเป็นผู้มีอาพาธน้อยสมเด็จพระมหากรุณาทรงยกย่องว่าเป็นเอตะทะคะหาผู้ใดเสมอมิได้ขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินได้ทรงฟังก็สิ้นสงสัยโสมนัส ตรัสสรรเสริญซองสาธุการและสรงรับตามที่พระผู้เป็นเจ้าพระนาคเกษ็ถวายวิสัชนาทุกประการยาจะโยค้าปัญหาเป็นคำรบสิบจบเพียงนี้จบจะตุทวัก